วันที่27มีนาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโฮทิสัตถาพระสูตรวันนี้มีชื่อว่าทุติยะ า, านวัตถุสูตรเป็นสูตรลำดับที่สี่ของวรที่สี่ที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงโรงพระพุทธเจ้าอีกแง่มุมหนึ่ง ยานวัตถุนั้นแปลว่าที่ตั้งของยานจึงก็หมายถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานโดยในของปฏิจจสมุปบาทเมื่อไปกำหนดรู้สภาวธรรมจะมีส่วนแห่งสิ่งที่รู้ส่วนแห่งสิ่งที่รู้นั้นเรียกว่าวัตถุเป็นส่วนต่างๆโดยเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วถึงเจ็ดสิบเจ็ดอย่างจึงเรียกว่ายาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ด ต, ตัวยานวัตถุก็หมายถึงองค์ของปัจจัการในแง่มุมต่างๆนั่นแหละพระสูตรว่าพระผู้มีรภาคประทับอยู่ณนะพระเทตวันเชตวันอารามของท่านอานาถวาิธิกาเศถีฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงยาณวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงตั้งใจฟังยานวัตถุนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นตูนรับพระผู้มีพระภาคแล้วและผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดเป็นไนยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดคือความหนึ่งความรู้เพราะชาติเป็น ความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชาราและมรณะจึงมีความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีแม้ในอดีตการความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีแม้ในอนาคต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 เรื่องชาติยานเนี่ย 7, 7เจ็ดเจ็ดกรณีหรือเจ็ดประเด็นคือปฏิจจะนั้นมีทั้งหมดสิบเอ็ดองนะสิบเอ็ดองโดยการกำหนดรู้อย่างนี้นะฮะเราเราเราพลิกไปโดยลำดับเนี่ยก็จะเห็นว่าไปสิ้นสุดที่อวิชาซึ่งเป็นองค์องค์ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนั้นนับตั้งแต่ชาติเป็นลำดับไป และสิบเอ็ดนั้นเวลารู้รู้องละเจ็ดอาการเจ็ดอาการเนี่ยเราทบทวนดูอีกทีนึงก็จะเห็นว่าความรู้ว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาเมลณะอันนี้เป็นการรู้ในเชิงเหตุเกิดเหตุเกิดของชะลาและเมรณะว่ามีชาติเป็นปัจจัยอ่าข้อที่สอง ความรู้ในทางดับสายนิโรธสายดับเมื่อชาติไม่มีชรลาและมรณะจึงไม่มีก็จะเห็นว่าข้อหนึ่งเกิดข้อสองดับสำหรับข้อสามกับข้อสี่เป็นการรู้เลยไปถึงอดีตว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้คือชาติเป็นเหตุให้เกิดชรลาและมรณะ และเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะก็ไม่มีคืออดีตก็เป็นอย่างนี้ข้อห้ากับข้อหกเป็นการรู้อนาคตว่าแม่ในอนาคตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีอนาคตสายเกิดข้อในข้อห้านะข้อหกก็สายดับชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีและข้อเจ็ดนั้นท่านใช้คาว่าธรรมถีติยาน ธรรมถิตินั้นเป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะว่าเป็นความตั้งอยู่ของธรรมของธรรมหมายถึงของนามรูปที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันนี่แหละครับญาณที่รู้ความเกี่ยวข้องกันของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าธรรมถิติญาณธรรมถิติญาณของชาติก็คืออ ในข้อที่หนึ่งนะฮะว่าคือข้อนี้แหละว่าชาติกับปัจรามรณะเป็นเปลี่ยนเป็นปัจจัยให้ข้างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยคือชาติเป็นปใจเกิจารามรณะนั่นแหละมีความสิ้นไปเสื่อมไปกลายไปเป็นธรรมดานี้ก็หมายถึงในแง่ของความดับเป็นขนาดขนาดอันนี้ต้องอธิบายกันอีกพอสมควรนะครับเราจะอธิบายเป็นหลัก เป็นเชิงตัวอย่างในทางหลักใหญ่สำหรับเรื่องของชาติยานเมื่อไปถึงภวะยานไปถึงยานอื่นแล้วก็จะฟังโดยหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันได้จึงถือว่าอธิบายถ้าที่เดียวก็กระทบไปถึงที่อื่นก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะต้องมาย้าความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าที่ท่านพูดถึงปฏิจจสมุปบาทตรงนี้น่ะ เป็นการพูดโดยนัยยะของการปฏิบัติคำว่านัยยะของการปฏิบัติหมายถึงคนปฏิบัติวิปัสสนาการรมฐานนั้นใช้อารมณ์กําหนดหลายรูปแบบบางคนก็ใช้รูปแบบของอาริยสัจสี่บางคนก็ใช้รูปแบบของอายตนะสิบสองบางคนก็ใช้รูปแบบของขันห้าบางคนก็ใช้รูปแบบของอิริยาบทสี่บางคนก็ใช้รูปแบบของอ 4, งรบบองอิยาบทย่อย บางคนก็ใช้รูปแบบของลมหายใจเข้าออกและบางคนก็ใช้รูปแบบของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเราจะเห็นว่าในแต่ละรูปแบบลหลายๆรูปแบบเนี่ยบางรูปแบบก็มีหน่วยของธรรมที่จำแนกไว้น้อยหน่วยอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนี่นะมันก็มีแต่ลมหายใจเข้ากับหายใจออกน้อยหน่วยที่สุดเลย แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยคนปฏิบัติด้วยการกําหนดลมแล้วก็จะต้องรู้รายละเอียดขยายเป็นพิสดารมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับก็เรียกว่าเบื้องต้นนั้นมีน้อยหน่วยเบื้องปลายก็มีมากหน่วยเหมือนกันถ้าเป็นอายตนะสิบสองก็มีมากหน่วยแล้วก็อายตนะสิบสองก็มีลักษณะพิเศษคือมีอาการของความเป็นเหตุเป็นผล ว่าอายตนะตาคู่กับอายตนะรูปมีความเป็นเหตุเป็นผลกันในลักษณะเป็นคู่คู่ไปรูปเป็นเหตุให้เกิดจากสู่วิญญาณทางตาอันนั้นเป็นลักษณะหเหตุผลแบบกระโดดกระโดดหมายความว่าถ้าเรากาหนดทางตาไอเหตุผลทางตาก็ประชุมรอมกัน เวลาไปกําหนดทางหูหูก็ไม่เกี่ยวกับตาแล้วเหตุผลทางหูก็ประชุมร้องกันแล้วอาจจะกระโดดไปกําหนดทางใจมีเหตุมีผลทางใจแล้วอาจจะกระโดดวกเวียนซ้ําที่มากฝ้ง่งน้อยบ้างก็ได้แต่การกําหนดแบบปฏิจจานั้นมีลักษณะพิเศษสองประการประการที่หนึ่งเป็นอารมณ์วิปั ส, สนาที่มีมากหน่วยมีหน่วยมาก หน่วยมากเ น, นี่ยก็คือหน่วยที่เห็นๆก็คือองค์ปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ชรลาและมรณะขึ้นไปจนกระทั่งถึงอวิชชาสองมีความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ในแบบก้าวกระโดดคือในแบบต่อเนื่องต่อเนื่องก็คืออวิชชาเตปต็นใจแก่สังขานมาโดยลำดับเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลแบบลูกโซ่มีอันหนึ่ง ทีนี้ที่ปฏิจจค่อนข้างจะพิเศษพิเศษหน่อยเนี่ยนะก็คือในปฏิจจที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีองค์อารมณ์หลายหลากเนี่ยมันมีทั้งองค์หยาบและองค์ละเอียดคำว่าหยาบหมายถึงอยู่ในวิสัยการกำหนดรู้ได้ไง องละเอียดหมายถึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะกำหนดรู้ได้ไง่ายคืออะไรเช่นชลาและมรณะนี่ถือเป็นเป็นองหยาบอยู่ในวิสัยที่จะเข้าใจได้ไง่ายหรื อ, อตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นจากเวทนา ก็ถือว่าเป็นองค์ที่อาจจะละเอียดขึ้นไปหนิดแต่ก็ยังนับว่ายาบที่อยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ไงสลา ย, ยัตนะก็อยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ไงว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสลา ย, ยัตนะเปะะเ็นโรผัสสะเนเหตุให้เกิดเวทนาะสลายยตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะจากขูดสัมผัสเกิดขึ้นที่จากขายยตนะเป็นต้นนี่นะ ก็อยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ง่ายบางตัวนั้นรู้ได้ยากคือสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณสังขารคือกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือพวกวิบากกับวิญญาณอันถ้าพูดยกตัวอย่างพอให้เข้าใจเป็นการง่ายก่อนก็คือเป็นเป็นเนดเรียงกรณีเดียวเนี่ยนะ ว่าเวลาที่เราทำกรรมฐานแล้วเราสามารถที่จะกาหนดรู้ได้ว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้จึงมาได้วิบากเช่นได้ความเจ็บได้ความปวดเช่นนี้ซึ่งเป็นวิบากดวงวิญญาณฝ่ายอาคุสลปรากฏให้เห็นในขณะที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานอันนี้แหละฮะเรียกว่า เราเห็นจุดเชื่อมระหว่างสังขารวิญญาณซึ่งท่านหมายถึงวิบากวิญญาณวิบากวิญญาณมีทั้งเกาะอัคคนาเกิดหลังเกิดเ ว, เวลาเราทําได้เนี่ยเราจะเห็นไอ้ตอนตอนหลังเกิดนะฮะและหลังเกิดเนี่ยเราจะเห็นไอ้ที่มันปรากฏเฉพาะหน้าก่อนวิบากเฉพาะหน้ากันว่าอยู่ๆก็มี อย่างนู้นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่มันเพราะอะไรเราก็เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็พอมาณติการต่อไปเนี่ยมันเห็นไปถึงว่าเออไอ้ชีวิตเรานี่ต้องมาเป็นอย่างนี้ต้องลําบากยากเ ย, ย็นอายากเย็นแสนเกินอย่างนี้เพราะได้ไปทําอะไรไว้นะหรือเพราะเราต้องมาเข้ากรรมฐานมาทำวิปัสสนาอย่างนี้น่ะแล้วเราประสบเหตุเพศภไยในชีวิตอย่างนี้เราจึงมาให้เหตุเพศไปนี่มันเกิดคําตอบมันจะค่อยๆออกมา ออกไล่ลึกๆๆลงไปจงว่าเออเรามาเกิดในได้อัตภาพอย่างนี้ได้ปฏิสนธิจิตได้น้ำได้รูปอย่างนี้เพราะได้ทํากรรมอะไรไว้ไอ้ตรงนี้นะ่าไม่ใช่คิดเอานะมันจะเกิดความอย่างรู้ขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาขอร้องให้เชื่อเราจะเกิดความแจ้งชัดแล้วก็จะเกิดไอ้ความรู้ในระบบของการระลึกชาติได้แบบวิปทานา ว่าแม้ชาติก่อนๆ ก, ก, ก็เป็นอย่างนี้ถึงจะไม่เห็นภาพอะไรก็ตามเนี่จะเข้าใจไอ้วัตตะสงสารเนี่ยทั้งผืนเชื่อมไปถึงอนาคตอ่าแล้วก็เห็นเห็นหนทางเห็นปฏิบัตาเดี๋ยวนี้ว่าเราได้ทําอะไรอย่างนี้ต่อไปเราควรจะเป็นอย่างไรนะมันจะเห็นคําตอบแล้วะชีวิตในภาคหน้าเนี่ยควรจะเป็นจะเป็นอย่างไรมันจะออกมาเป็นแถวแถวให้เราได้รู้ โดยที่ถ้าเป็นวิัอารมณ์วิปัสนาไม่ได้เป็นภาพแต่ไอ้ไอเงื่อนไขของเหตุผลเนี่ยครที่เราจับได้จุดหนึ่งเนี่ยมันจะกระทบโยงไปถึงจุดอื่นท่านถึงบอกว่าเห็นอนาคตได้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ระลึกชาติเห็นแต่ว่าดีกว่าระลึกชาติเห็นเพราะร ะ, ะลึกชาติเห็นเนี่ยมันเห็นแต่ทางกายภาพเห็นแต่เปลือกะแต่จับไอ้เนื้อเหตุบางทีเขาเรียกว่าแปลความผิด ไปกายภาพเนี่ยแปลความผิดได้เอาไอ้ตรงนุ้นมาต่อกับตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าหากว่าจับในทางสภาวะได้แล้วถึงจะไม่เห็นเป็นภาพแต่ไม่ผิดถูกแค่ไหนอยู่ที่กำลังของญาณผู้ปฏิบัติเห็นอ่าดังนั้นไอ้คนที่ไปเห็น อ, อะไรแต่ไรเนี่ยมันมีผิดได้เยอะแยะก็เพราะอย่างนี้วันวันจันนี้ผมก็นัดอยู่นัดเจอคนหนึ่งพี่ มีความสามารถพิเศษทีว่าเห็นอะไรแต่อะไรได้แบบหยาบๆเนี่ยว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยแล้วก็มันมีไอ้ตัวปรุงตัวแปรบางอย่างที่มันมาเป็นเครื่องขัดขวางคนที่มีความสามารถอย่างนี้ซึ่งไอ้ความสามารถนั้นจริงจะมีอะไรบางอย่างขาดขวางซึ่งมันก็เลยเกิดเกิดเป็นปัญหาของคนของผู้มีความสามารถพิเศษขึ้น ก็เลยอ่าอย่านัดแนะมาพูดคุยกันว่ามันคืออะไรแล้วเขาควรจะทําอย่างไรเรื่องเขานะพิสดารเล่าแล้วก็โฉงคลึ่มแหละแต่ว่าโฉงคลึ่มแบบทึ่งกันแล้วะท่านจะต้องทึ่งเขาถ้ารู้นะแต่ผมเห็นว่าไม่ไม่กล้าเล่าเรื่องเขาเท่าที่รู้นะแต่ว่าเมื่อได้คุยรายละเอียดแล้วอาจจะเอาบางอย่างมาเล่าให้ฟังได้ก็เป็นเรื่องแปลกและเหลือเชื่อ ที่เกิดขึ้นกับคนที่มีการศึกษาอย่างดีแล้วก็มีแล้วก็เกิดมามีความสามารถอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ่ะผมว่ามันมันมันตีความผิดได้เนี่ยบางที่ออไปเยี่ยมคนป่วยอย่างบางรายเห็นคนป่วยแบบตาทิพนะอยู่ๆก็เห็นร่างกายทิพเขาลุกขึ้นบางคนตีความมาเขาตายบางคนตีความมาเขาหายคือนึกว่าลุกกลับบ้าน ไอตีความมาตายเนี่ยว่าร่างกายกายทิปออกจากร่างไปสู่โยมโลกเห็นเหมือนกันแต่ตีความเป็คนละเรื่องอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วพลาดได้คนที่เห็นอย่างนี้ถึงถ้าสุกเอาเขากินแล้วก็มีโอกาสตีความตามตามภาพเนี่ยพ่าดหรืออย่างพวกหมอดูลายเส้ น, นยอย่างที่เขาเก่งๆเนี่ยนะเวลาดูดูมือเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตำราดูหรอกครับพอดูเส้นเนี่ย ดูไปตรงเส้นนี้เนี่ยภาพมันยังจอจอลรทัดเล็กๆปรากฏให้เห็นเลยอ๋อเส้นนี้เนี่ยมันวันข้างหน้าจะเป็นอะไรถ้ามันอยู่ตรงนี้นะเป็นภาพแล้วก็ดูตามภาพก็ดูตรงเส้นนี้ภาพเกิดดูเส้นนี้ภาพเกิดคนเดียวเนี่ยทําได้อย่างนี้แต่ขอกระตือเพราไม่ใช่ผมเลยอย่ามาให้ผมดูอ่าเพราะนนแะพอดูตามภาพบางทีก็อย่างว่า ไอ้ลูกถ้าลูกค้าเยอะลำค้างก็ดูส่งๆไปแปลภาพปิดบ้างถูบ้างเป็นหมอดูที่ไม่ใช่ดูตามตำราและมีชีวิตจริงๆอยู่เดี๋ยวนี้คนที่ดูอย่างนี้ผมรู้จักที่โอย้ยางน้อยแน่ๆก็สองคนที่ดูแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ะเขาภาษาวิวัสศาสเรียกว่าเป็นอารมณ์สมมุตินะ อารมณ์สมมติเนี่ยมันเป็นมันมีภาพมีหลาดมีภาพเพี้ยนแรกเยอะสู้วิปัสนาไม่ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าคนได้ทั้งว่าความสำเร็จทางวิปัสนาจะเปียจจะผลได้แล้วก็ได้ทั้งสายสมาธิสมถะคือสายภาพเห็นภาพนูน่นภาพนี่มาประกอบอุดหนุนกันเนี่ยนะคือไอ้สายสมถะมังก็สามารถจะเป็นเบาะแสบาะแสคือว่า มันเหมือนกับไอ้ธรรมชาตเนี่ยมันเหมือนตาเราเห็นน่ะอย่างเราเห็นคนเนี่ยว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเราดูแค่กายภาพเนี่ยมันก็เหมือนไอ้คนไปโดนเขาหลอกก็มันก็เห็นนะเห็นเท่ากับคนไม่เชื่อเขาหลอกไม่เชื่อก็หลอกเห็นนะไอ้คนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อเห็นพฤติกรรมเดียวกันเห็นการแสดงเดียวกันไอ้คนเชื่อมันแปลความไปอย่างไอ้คนไม่เชื่อเขามองเห็นอะไร บางอย่างที่เป็นการจับเพตจับผลว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงยอมอย่างนี้และไอ้บางคนที่ไม่น่าเชื่อเขาอาจจะเห็นเชื่อเพราะเขามองลึกลงไปทีนี้คนทาวิปัสนาที่ได้วิญญาเนี่ยเวลาเ็าดูอย่างดูชาติเกิดาชาลามน้าเกิดจากชาติชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้าคนละลึกชาติได้เห็นเปล่าของวิปัสนา ของปฏิจจะในเชิงสมถะเนี่ยเห็นกายภาพแค่นั้นไม่ถือว่าบรรลุวิปัสนาอย่าไปบอกว่าโอนี่ฉันเห็นแล้วว่าเนี่ยเมื่อไหลเมื่อไหก็มีชาติเป็นปัจจัยเห็นในทางกายภาพเนี่ยนะยังไม่ใช่รถของวิปัสนารถของวิปัสสนานันต้องเห็นแบบจับลึกเจาะลึกจับเส้นสายต่างๆได้แต่ ในข้อที่ที่ผมบอกว่าอิงอาศัยก็เพราะว่าเราเห็นภาพเนี่ยอย่างน้อยก็วิปัสนาก็ช่วยทุดแรงไปว่าเราไม่ต้องไปสืบหาชาติก่อนด้วยการจับเหตุจับผลเอาให้ได้แต่ที่แรกเราเห็นภาพแล้วก็ตีความภาพลงไปนะหรือมันคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกับไอ้บางเรื่องเนี่ยถ้าเราจะมองอะไรทางลึกเนี่ยสมมติว่าคนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้ เราอยากจะดูเหตุผลทางลึกถ้าเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์เขาไม่พาไปดูไปจับไปต้องแล้เราก็ต้องสันนิษฐานเอาเพราะอันนั้นอันนี้แต่ว่าถ้าไปเห็นนะไปเห็นไอ้กายภาพพับเนี่ยเราจับเหตุผลทางลึกได้ได้เร็วเลยอะได้เร็วเลย ท, ที่ที่เรียกว่าหาหาข้อมูลอะไรัรกนิดหน่อยในทางกายภาพแล้วก็พิเคราะห์เหตุผลทางลึก ดูเหตุผลทางลือกก็จะจับได้เร็วเพราะฉะนั้นสมถะบุพเพนิวาสานุสติของพระพุทธเจ้ า, าจูตูปปาญยานงพุทธเจ้าที่ได้ตอนปฐมยามมัธิมยามเนี่ยได้มาในฐานนะเป็นตัวยานกลุยทางให้กับปฏิจจจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งใช้วิธีการ ทำวิปัสนาโดยในของปฏิจจ์นี้เป็นอารมณ์ท่านก็กำหนดไปเร็วเลยเพราะว่าได้อภิญญาเบื้องต้นเป็นปัจจัยให้เป็นเป็นอย่างนี้ทีนี้ปฏิจจาที่เราเคยพูดมาแล้วจะเห็นว่าท่านแสดงจากอาวิชชาซึงถือว่าลึกละเอียดที่สุดอย่างที่ว่ามาในภาคแรกนั่นเนี่ยนะลงมาหาส่วนหยาบที่สุด อผมถามว่าชาติกระชาลามรณะชาติเนี่ยอมอะไรสลายยตนะไว้ด้วยหรือไม่ตัวเราทั้งตัวเป็นชาติไหมเป็นเป็นความเกิดถามว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นอยตนาไหมเป็นแช่นะ ย, ยตนาตาหูจมูกเลี้ยงกายมันก็มีอแค่นี้มีที่เห็นที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ย คืออายตนะกลุ่มแห่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงแค่นี้ชาติกับสลายยตนะในทางเนื้อหาแล้วเป็นอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมถึงอยู่คนละองค์ต่างกันตรงไหนตอบว่าต่างกันตรงที่การแสดงอย่างละเอียดหรืออย่างหยาบ อย่างย่อหรืออย่างพิสดารขึ้นไปถามว่าสลายจตนะไม่ใช่ชาติหรยอบอกใช่เหมือนกันอ่ะทำไมมาต้องมาแยกแสดงที่แยกแสดงเนี่ยเพราะต้องการจะกระจายการแสดงออกมาเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดนะฮะเพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติเนี่ยนะครับท่านเริ่ม ที่ปฏิจจ์องค์หยาบเข้าไปหาปฏิจจ์องละเอียดเพราะฉะนั้นชาามรณะชาตินั้นเป็นองค์หยาบที่บุคคลสามารถที่จะกําหนดรู้ได้ก่อนแล้วกําหนดไปก็ค่อยๆไล่ลึกเข้าไปสู่อง์ละเอียดอง์ละเอียดต่อไปตามลําดับในชั้นแรกเนี่ยอาจจะทําในลักษณะ เกาะรูปแบบแต่เอาเข้าจริงแล้วในเวลาคนทําอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจะกําหนดในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนจะคล้ากันเพียงแต่ว่าไอ้ความคละกันนั้นไม่ทําให้สับสนในทางจับเหตุผลคล้ากันในลักษณะที่เรียกว่าไม่สับสนในเริงจับเหตุผลเออ่ ผมถามว่าปฏิจจ์ในตัวเราเวลามันอยู่ในตัวเราตั้งก็หัวจุดเท้าเนี่ยมันคล้ากันหรือมันแยกกันเ <Yeah. S 1> อวิชาอยู่บนหัวสังขารอยู่หน้าผากนามรูอยู่ที่ตาสองข้างมันแยกไม่ได้มันคล้ากันคล้ากันเนี่ยคล้าตั้งโดยเทสะมันก็อาจจะแบ่งไว้อาอวิชามันเกิดอยู่ที่ใจนะะ ที่ตั้งแล้วเวลามันอาศัยเกินมันนึกหน่วงอาจจะเอาตาไปเป็นที่ตั้งของความโง่นึกถึงตาแล้วก็อาวิจารกรอบงํานึกถึงอองค์อืน่นแล้วอวิชาครอบงําก็ได้อแล้วก็เวลาที่คนกําหนดรู้กาหนดรู้ไอ้ตัวสติสติตัวเองของตัวเองตอนนั้นไปจับอะไรได้เพราะ แรงนำของการกำหนดรู้มาอย่างไรในตอนนั้นก็อาจจะไปจับตัวนั้นก่อนแต่ว่าจะไปจับตรงไหนเมื่อไหร่เนี่ยไม่สับสนในเชิงความเป็นเหตุเป็นผลที่เกี่ยวข้องกันไม่สับสนความไม่สับสนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความกระจ่างในใจใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนเก่งนะครับหรือเมื่อถึงจุดเก่ง จุดคล่องว่าอย่างเราฟังธรรมะเวลาถึงจุดคล่องแล้วเนี่ยมันจะไม่จะพูดกันแบบคละอย่างยิ่งแต่ตัวเองไม่สับสนอย่างยิ่งได้ความไม่สับสนอย่างยิ่งแล้วก็ชัดเจราคาญไอ้ไอ้ระเบียบมากเกินไปนะฮะคือต้องการแบบก้าวกระโดดฟังแบบก้าวกระโดดแบบคละๆตัวเองรู้สึกว่าไอ้ฟังแบบไม่คลาเนี่ยสะดวกฟังแล้วก็ไม่สับสนคนปฏิบัติถึงจุดเนี้ย ความไม่สับสนนั้นอยู่ในที่กําลังยานแต่อารมณ์เนี่ยลำดับของอารมณ์ที่กำหนดนั้นคลากันสับสนจึงมีสองแบบแบบหนึ่งคือสับสนในตัวของอารมณ์มันสับสนสองการความรับรู้ของคนสับสนและการแก้สับสนในทางธรรมะท่านแก้ที่ไหน สางที่ไหนสางความสับสนสังที่ไหนผมถามมาสามังไม่ทราบาระจายที่ถามาเขาสางที่ดวงความคิดสางที่จิต น, นสังคมสับสนสับสนไปปลาหลานไม่สับสนด้วยใช่ไหมฮะอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้สับสนวุ่นวายวุ่นวายไปท่านไม่สับสนด้วยแล้วก็มองความวุ่นวายแล้วไม่วุ่นวายตามไม่สับสนตาม เลยกลายเป็นว่าไอ้ความสับสนข้างนอกเนี่ยเป็นเครื่องเจริญความไม่สับสนแก่ผู้นั้นใครที่ยังสับสนอยู่มากจึงต้อง อ, อย่างรู้ร่ำเรียนแบบอาศัยความไม่สับสนช่วยพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติปฏิจจสมุปบาทเป็นรูปแบบที่ไม่สับสนจากภาวะที่สับสนใช่มะเราเนี่ย เวลาปฏิจจ ա มันเกิดมันก็เกิดกันแบบจริงๆมันสับสนนะไม่ใช่ว่าตัวนั้นตัวนี้จะต้องเกิดก่อนแต่สิ่งที่มันไม่สับสนในตัวมันเองคือกฎแห่งเหตุผลที่มันอยู่ในนั้นมันไม่สับสนมันมีอะไรเหมือนคอมพิวเตอร์เทียบเหมือนอย่างนั้นนะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวโยงใหญ่อย่างความไม่สับสนแต่เวลาเราเราไปใช้เครื่องไอะไรมันก็ใช้แบบสับสนนะใช่ไหม กดตรงนั้นกดตรงนี้เอ๊ะมันโผล่มาไม่ยักตีกันตายไม่ยักตีกันจนจนจอแตกเออมันไม่สับสนแสดงมันมีกฎอะไรบางอย่างที่เขาค้นไปยังทางถึงเจอจุดไม่สับสนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจับจุดไม่สับสนในตัวของเราที่เป็นกฎนั้นและในทางปรากฏการมันเหมือนจะสับสนแต่ผู้ที่ยังรู้เข้าไปเห็นแล้วไปเห็นจุดนั้นได้พอจับหลักใหญ่ได้ก็ไม่สับสนแล้ว ยังไงก็ตัวก็ไม่สับสนตามความคิดของคนบ้าสับสนพฤติกรรมคนบ้าสับสนแต่หมอที่รู้เรื่องโลกบ้าเห็นคนบ้าแล้วก็แยกออกเลยว่าผูกนี้เป็นยังไงไงเพราะอะไรตั้งหลักได้เขาก็ช่วยคนที่มีความคิดสับสนได้เพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าพระปัจเจเนี่บรรลุปฏิจจัตเป่นเดียวขับพุทธิยา แต่ไม่สามารถจะบรรยัญญติรูปแบบได้เมื่อบรรยัญญติรูปแบบไม่ได้คนที่จะบรรลุปฏิจาจึงบรรลุไม่ได้เพราะคนที่จะมาบรรลุปฏิจาร์เขามาจากคนสับสนต้องอาศัยรูปแบบที่ไม่สับสนให้เขาเข้าใจเพื่อเล่นกับความสับสนต่อไปในภายภาคหลังได้ทีนี้ว่าในที่เอที่ ัตรัถึงความรับรู้ตั้งเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมากมายเหลือเกินเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ที่ยังรู้เจ็ดสิบเจ็ดนี้ในความรู้ที่ถึงขั้นบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วไม่ได้รู้โดยลำดับเวลาถึงจุดบรรลุเนี่ยนะ มันไม่ได้มีลําดับว่าบางครั้งก็ตรงนี้มาตรงนี้บางครั้งก็ตรงนี้ไปตรงนู้นอ น, ปปออนุโลมไปปฏิอนุโลมบ้างปฏิโลมบ้างกลางไปกลางบางกลางไปบนบ้างตรงนี้โผล่ปรากฏก็กําหนดรู้ไล่ไปไล่เลี่ยงไปตามที่มันเกิดแล้วก็ไอ้เวลามันเกิดมันเกิดไปอจบเอาตรงนี้แล้วจะไปรู้ตรงไหนต่อไปอยังไงเนี่ยนะ จึงเรียกว่าเป็นความรู้ที่ยืดหยุนแต่ทีเ่เป็นหน่วยของความรู้เนี่ยเมื่อนับหน่วยของความรู้เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทอย่างเต็มเต็มแล้วมีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยเมื่อจะให้ท่านเอาความรู้ของท่านมาเรียงเป็นหน่วยแบบไม่ซ้าไปส้มาและมีลาดับก็เรียงได้เป็นกลุ่มกลุ่ม องคองค์เป็นว่าองละเจ็ดหน่วยเจ็หน่วยเจ็ดหน่วยเรียงไว้โดยเป็นระเบียบอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่การทรงจําและการสดับตรับฟังแล้วก็น้อมนําเอาเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นแก่พูดจะบึงปฏิบัติตามได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรียงไว้เสียอย่างเป็นระเบียบจนแลเป็นซ้ําไปซ้ําเหมือนซ้ําๆกันนะความจริงไม่ได้ซ้ำกันทีเดียวหรอก จนเหมือนกับว่าง่ายไปเลยนะเนี่ก็ต้องต้องถือว่าเรื่องไม่ง่ายทั้งเอามาเรียนดีก็เลยกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีหรวงปู่ตเจ้าท่านจัดระเบียบเก่งครับดึงจัดระเบียบเนี่ยทําได้ดีมานานแล้วเรื่องปฏิจจารแค่นี้ยังน้อยไปเนื้อความในทีอน่อื่นๆเนี่ยระเบียบยิ่งแยบยลกว่านี้ก็สามารถที่จะคุมระเบียบได้อย่างกระทัดรัดสะดวกในการศึกษาเาเรียน การ น, นี้เราก็มาดูเป็นส่วนๆจะอธิบายเป็นส่วนนะว่าในองค์ที่ว่าแสดงชาติติยานเจ็ดชาติเป็นอารมณ์ถ้าใช้คําว่ายานเป็นชื่อของปัญญาแต่ถ้าเรียกว่ายานเฉยๆเป็นคํากลางถ้าเติมอารมณ์ของยานเข้าไปข้างหน้าด้วย จะเป็นการบอกความรู้ของญาณว่าญาณ น, นั้นรู้อะไรดังนั้นคำว่าชาติญาณจึงหมายถึงญาณที่รู้ชาติความเข้าใจในชาติความรู้ในชาติในเจิงปฏิบัตินั้นรู้อย่างไรคนที่จรเดินปฏิจจสมุปบาทเกิดญาณรู้ชาติอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยรู้ อย่างไรอะไรบ้างตอบว่ารู้เจ็ดอย่างรู้ความที่ชาตินั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดชรลาโมรณะหรือชรามรณะน่ะเกิดจากชาติชรลาและโมรณะนั้นเกิดจากชาติมีชาติเป็นปัจจัยแล้วก็ข้อสองถ้าเว้นจากชาติชรลาและโมรณะไม่มี ตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีรายการย้ำซ้ำเก่าบ้างต็งเราหยุดกันไป น, นานชาชาลามรณะ ท, ที่เกิดจากชาติเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ท่านต้องการจะเน้นว่าหนึ่งเหตุปัจัจใกล้นะฮะเหตุปัใจใยใกล้สอง เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ใช้ก็ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยใกล้เป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักมีความหมายว่าอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยในรูปอื่นหรือตอบว่าใช่ถามว่าคนชะลาและมลณาเนี่ยเอาง่ายๆว่าความตายเกิดจากอะไรตายเพราะอะไรเนี่ย ถ้าเราตอบตามอําเภอทางใจแล้วเยอะแยะเลยใช่ไม่ใช่เขียนบางคนเรียนอภิธรรมมาบอกว่าเกิดจากเหตุปัจจัยสี่กรรมมัรคขยะสิ่งกรรมอุปาเฉทกะเพราะอุบัติเหตุอุปาคาตกรรมตัดรอนอายุขยะสิ้นอายุหรือเกิดจากทั้งสองอย่างคือสิ้นอายุแล้วก็สิ่งกรรมเป็นสี่อย่างถูกหรือผิดถูก อ้าวถ้าถูกแล้วทำไมในปฏิจจามีแมวอ่ะแล้วก็ความชลาเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยอีกตั้งหลายอย่างใช่ไมะมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยเดียวแล้วความชลาเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบางไหนลองทำไมถึงแก่อาจจะตอบแต่ละพัฒเหตุปัจจัยนะบอกแม่ฉันแก่ว่าชีวิตต้องลำบากทำงานมาก เลีย้ยงลูกหลายคนไอ้มีลูกเยอะๆก็ว่าทําให้ไอ้ชะลาภาพลงไปได้เร็วเหมือนกันอ้ามก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนชะลาเร็วเป็นปกติอ้าวแล้วถ้าอย่างงั้นอ่าเหตุปัจจัยบางอย่างบอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยกายหยาบ ก, กินอาหารหยาบอุตุหยาบอุตุย า, ยาโพชนะหยาบเลยชะลามีแก่แบบเห็นเห็นได้ ปลากตัจระปรากฏแต่เทวดานั้นแก่ไม่ปรากฏแก่เหมือนกันแต่ไม่ปรากฏหนังในเหี่ยวไม่เป็นอย่างที่มนุษย์เป็นแล้วมนุษย์ทำไมบางคนเขากี่ปีกี่ปีเขายังไม่ยอมแก่และ่ะอยากจะบอกว่าบางคนเขาพยายามจะรักษาตัวด้วยประการต่างๆอีกคนหนึ่งก็รักษาตัวด้วยประการนั้นเออแต่คนหนึ่งเอาอยู่คนหนึ่งเอาไม่อยู่บางคนก็มาแต่เอาใจใส่แต่ก็ รู้สึกว่าแกไม่ตามไวเออมันรออะไรมันมีกรรมมีอะไรต่างๆอีกเหมือนกันไอ้ที่แกเกินไวัยไปเพราะกรรมกมีเลยทำให้แกชะลาเกินวัยเพราะกรรมบางอย่างที่ได้ไปทำไว้อันนี้ก็ไม่ไม่ต้องเล่าเรื่องในะสมัยพุทธกาลเนะ่ะพู้อย่านี้ทนะ่านก็พงพอเนื่องออก จะจำไม่อย่างนั้นเจอหน้าใครก็อย่าไปอย่าไปฟังปากว่าไอ้แก่ไอ้แก่หรืออีแก่อีแก่แถวบ้านก็มากนะพูดแบงกับตลจิตนะเดี๋ยวก็เลยทำให้เราแก่ไว้เมื่อไอเหตุที่ทำให้ชลาและมรณะที่พูดมาโดยประการอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหลักและไม่ใช่ตัวใกล้คือเป็นของไม่มีก็ได้เป็นของเว้นได้ เป็นตัวผสมลงเข้ามากับเหตุปัจจัยหลักเหตุปัจจัยหลักนั้นคือเกิดความเกิดนำมาซึ่งความแก่เพราะ น, นั้นไอ้ความเกิดนี่นจึงเป็นพาหะนาความแก่มาที่เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเหตุที่มันโผล่ขึ้นมามันก็ต้องนำเอาเอาธุรีติดหัวเหตุมาด้วย เราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเนี่ยตายถ้าไม่ตาไม่เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่ตายการจะทำไม่ให้แก่และไม่ให้ตายได้อย่างเด็ดขาดคือไม่เกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าโดยทรงพิจารณาแหละว่าเอถ้าจะเอาชาติไว้แล้วไม่เอาชะลาและมรณะเนี่ยมีทางได้ไหมไม่ได้แต่ว่ารัฐที่อื่นเขาอาจจะมีว่าได้คือไปเกิดในบางที่แล้วก็ไม่ต้องแก่แล้วก็ไม่ต้องตาย แต่ว่าในทางหลักของพระพุทธศาสนานั้นข้อนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีชีวิตอมตะในที่ใดตรงนี้นะถามว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องง่ายๆนี่ไม่ต้องทำพิัสธนาก็รู้ไมนะ่ใช่เหรอนะใช่นะไม่ต้องทำพิพัธนาก็รู้พูดแค่นี้พูดแล้วม่ได้อะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วมได้อะไรขึ้นมาไอเรานะี่ยมันเรียกว่าเกลียด ตัวกินไข่เกลียดปลไหลกินน้ำแกงคือถ้าเขาด่าแล้วว่าตายแล้วไม่ได้พุดได้เกิดเราไม่ชอบเพราะมาด่าสิ่งที่เราชอบแต่บอกว่า เ, ออเกิดแล้วไม่ได้แก้ได้เท่าเกิดแล้วไม่ได้เจ็บได้ตายอ่าชอบแล้วไม่มีใครก็ด่าแบบนี้ด้วยกลัวจะเป็นจริงๆถ้าด่าอย่างนี้ก็อยากให้ใครมาดา่าเออ มันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ไอของที่มันจะต้องเป็นควาแฝดเป็นเหตุเป็นผลกันเราไปเกลียดอย่างไม่เกลียดอย่างไอลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะชาติชลาแม้อย่างอื่นเราก็เกลียดอย่างรักอย่างเกลียดตัวคีนไข่ทั้งนั้นลืมถึงความรัมพันอันแน่นแฟน้นของมันเจนว่าลาบเราชอบใช่ไหมลาบ้อยแล้วเสื่อมลาบรอยไม่เอา ลาบรอยก็เสื่อมลาบ้อยเสื่อมลาบ้อยมีไหมมีไอ้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วไอ้ไอ้ลอตเตอรี่หายอะ่ะนั่นแหละเสื่อมลาบรอยทีทีเป็นข่าวอยู่นานๆดีนะะเรายังจำได้ ส, สมคำข่าวเคยมีถูกหวยแล้วลอตเตอรี่หายไอ้ตอนถูกก็ลาบรอยไอตอนหายก็ลาบรอยหายไม่ลอยมาลอยไป สองลอยลอยมาลอยไปผมคงต้องหยุดทันทีในเดืนนี้นะครับเวลาเลือยเกียงหน่อยแล้วขอเก็บเอาไว้ต่อกล่าวหน้าแล้วก็ข อ, ขอปิดประชุมเลยนะครับต่อปิดประชุมทันนี้พบกันอาทิตย์หน้าจะไปยู่พูดก็ขอเชิญนะ